รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟัง เป็นเอกราชจริยาคือวัดของพระเจ้าเอกราชเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อ ปกครองแผ่นดินใหญ่ก็คือเป็นศีลสมาทาน 10 ประการประพฤติกุศลประการเรา ครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลพระนามว่าทัพพเสนะยก โคเสมอด้วยเมตตาของเราไม่มีนี้เป็นเมตตาบารมีของเลยพระเจ้ากรุง คั้นเจริญวัยถึงสําเร็จศิลปะทุกแขนงคั้นพระบิดาสวรรคตพระองค์ก็ครองราชสมบัติ ด้วยความเป็นหัวหน้าไม่มีใครเป็นๆเนี่ยนะยิ่งใหญ่ทั้งโดย 10 อันบริสุทธิ์ ให้บริสุทธิ์ด้วยดี 10 ประการนั้นโดยการสมาทานและโดยการไม่ก้าวล่วง เธอว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ โซลากรรมบท 10 ประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้น จตุหิสังคหวัตถุนี้ในการนั้นเราปรากฏชื่อว่าเอกราชเพราะสงเคราะห์มหาชนด้วยธรรมเป็นการสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ 4 คือทานเนี่ยนะมีการให้ปิยวาจาการนั้น 4 คือทาน เอวังคือเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท 4 ประการให้เต็มบริบูรณ์ขณะเดียวกัน อนาคตประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขอนาประชาราษฎร์ก็ 6 โรงคือ ท่ามกลางเมืองอีกที่หนึ่งและก็ที่ประตูโลก อาจารย์ราดเหมือนลูกที่อยู่บนตักของตัวเองนะคณะเดียวกันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ๆที คือเนื่องจากว่าพระราชาเป็นผู้ที่ทรงทําดํารงมั่นอยู่ในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ จงถือเอาทรัพย์ของเจ้าแล้วก็พาลูกเมียของเจ้าไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ขับไล่ให้พ้นจากจริงๆแล้วโทษที่ผิดเนี่ยสมควร วันหนึ่งก็ทูลพระราชาว่าข้าพระองค์กรุงพารานสีเนี่ยเช่นกับรังผึ้งที่ไม่มี นี่บอกครั้งที่ 1 2 ก็ไม่เชื่อครั้งที่ 3 เอางี้ก็แล้วกันก็เลยส่งให้ ครั้งนั้นพระราชาทัพเสนะรู้ว่าพระองค์เนี่ยประกอบด้วยธรรมอย่างยิ่ง พวกข้าพระพุทธเจ้าจะจับโบยพระราชานั้นน่ะตอนยังไม่ล่วงล้ำรัธสีมาของเราคือถ้ามีการสู้รบจริงๆยังไงทหารพาราณสีต้องชนะอยู่แล้วเพราะกองทัพยิ่งใหญ่มากแต่พระโพธิสัตว์ก็ห้ามว่าท่านทั้งหลายการทํา พวกท่านไม่ต้องทําอะไรหรอกปล่อยเขาไปเถอะพระเจ้าโกศลก็เสด็จมาจนถึงท่ากลางชนบททหารก็กราบภูริเอาเลยนะจดหมายไปอ่ะ พวกทหารก็ทูลเอกว่าข้าแต่พระองค์พวกข้าพระองค์จะไม่ พระเจ้าทัพประเสนะก็เสด็จเข้าพระนครด้วยกองทัพใหญ่ไม่เห็นข้าศึกต่อ พระเจ้าทัพพเสนะก็เสด็จขึ้นสู่พื้นใหญ่รับ ความเมื่อพระเจ้าเอกราชเมื่อพระองค์ทรงเสวยกามคุณยอดเยี่ยมบริบูรณ์ เจริญเมตตาตลอดไม่ได้จิตคิดโกรธอะไรแม้แต่ เขาบอกว่าเราเห็นพระเจ้าทัพพระเสนะ อธิบายว่าเราเห็นพระราชา เพราะฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นบารมีเมตตาบารมีอย่างเดียวเป็นเมตตาตรมัตถปารมีสุดยอดของ พระเจ้าทัพพเสนะก็เกิดความร้อนจริงๆเค้าบอกว่าผู้ใด เกล้งเปลือกอยู่ปลายปาบนแผ่นดินก็ตรัสว่านี่อะไรกันราชบุตรก็ทูลว่า อนาขอเข้ามาบอกว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติของพระองค์ แม้พระโพธิสัตว์ก็มอบราชสมบัติให้แก่ พระเจ้าเอกราชนั้นทั้ง 10 ประการแต่ว่าพิเศษคือเมตตาบารมีเนี่ยนะว่าทานบารมีก็คือพระองค์เนี่ยสละทรัพย์ณโรงๆวันนะทานของพระโพธิสัตว์ก็ด้วยทรงบริจาค กองทัพยกมาเอาราชสมบัติก็ยกราชสมบัติให้เขาไปอีก 5 รักษาอุโบสถแล้วก็ อ่ะของนักบวชหมายความว่าปกติก็อยู่มิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้ง ของสัพพสัตถ์ทั้งหลายพระองค์จึงให้ก็เนื่องจากพระรู้ว่าถ้าให้กับไม่ให้กับไม่รักษาศีลกับไม่มีเมตตารู้ประโยชน์ด้วยปัญญา วิริยะบารมีของพระองค์ก็คือขมัก อดทนได้เนี่ยนะปกติเนี่ยโอ๊ยตัดคอแน่นอนเนี่ยนะท่านอดทนนะแต่ถ้าเป็นคนระดับล่างอ่ะ แล้วคนที่ทนเนี่ยเป็นคนอยู่ระดับสูงนะที่ๆที่ๆ พรหมมีอธิษฐานบารมีก็คือสมาทานไม่หวั่นไหวต่อการให้ทานคือตั้งใจว่าจะให้ทานด้วยใจไม่หวั่นๆเมตตา ทำทุกอย่างยังไงก็ ก็คิดดูนะว่าพระองค์เนี่ยสั่งสมเมตตา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 และทําใจให้เสมอกันกับพวกข้าราชการในบ้านเมืองทั้งหมด ถูกราชาค่าศึกฝังอยู่ในหลุมทั้งวางเฉยด้วยจิตใจ อะไรจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยมีบารมีทั้ง 10 แต่ยกเมตตาบารมีขึ้นเป็นอุทาหรณ์ มันถ้าเป็นคนปกติสามัญทั่วๆไปก็ไม่มีใครสามารถที่จะกระทํา อีกพวกหนึ่งก็ร่าเริงอีกพวกหนึ่งก็สลดๆเป็นอันมากไปให้เราพวกใดนําทุกข์มาให้ เป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้ผู้มีใจเสมอในสิ่งเจริญยากกว่าบารมีทั้งหมดที่ที่กล่าวไปแล้วนะให้ทานรักษาศีลเนกขัมมะอบรมปัญญาวิริยะเป ได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูล ท่านก็เป็นผู้เกิดความสังเวชในภาวะทั้งปวงด้วยการมนัสการถึง ยังไงมันก็เดินไปสู่ความตายเดินไปสู่ความ เสร็จแล้วก็ละครองโภคะใหญ่ออกบวชคิดคือคือปกติเนี่ยนักบวชก็จะ เพราะท่านนิรังเกียจลาภสักการะรังเกียจการนับถือยก จะไม่สนใจว่าใครจะยอมรับว่าเป็นนักบวชไม่ยอมรับเป็น ท่านเหมือนกับอะไรนะไม่บ้าก็ทําเหมือนบ้าสมัยใหม่ก็เรียกว่าบ้าจริงๆอะไรของงั้นน่ะนะแต่ว่าอันนี้ เมื่อเพราะรูปร่างของท่านเนี่ยเหมือนก็ เอาแค่ว่าปปกปิดอวัยวะที่ทําความละอายให้กําเริบเท่านั้นแหละปปกเพียงแค่ไม่เนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็เนี่ยมหาโลมหังสะก็บอกว่า หน้าที่นั้นเด็กชาวบ้านนิสัยนักเลงชอบตีรัน เด็กชาวบ้านเหล่านั้นชาวบ้านเหล่านั้นเห็นเด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นคน พระมหาบุรุษนั้นพอเห็นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเที่ยวไปในนิคมนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราเด็กนักเลงเหล่านั้นเห็นพระ พระโพธิสัตว์เมื่อถูกเด็กนั้นตามไปก็ไปป่าช้าด้วยเห็นว่าป่าชานี่แหละไม่มีใครขัดข้อคือจะ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 เป็นนักปฏิบัติชั้นเลิศเลยเหมือนกันก็พา นะมาฟังอีกครั้งนึง พวกใดนำทุกข์มาให้เราและพวกใดนำสุขมาให้เราเราเป็นผู้มี บทว่าสุสาเนสัยยังกลับเปรมิชวัตติกังอุปนิถายะความว่าเรานอนอยู่ในป่าช้าที่ อ่ะจากซากที่เค้าทิ้งไว้ที่ป่าช้ารวมๆกันเนี่ยนะแล้วก็นอนหนุนทําเป็นหมอน ขนาดเดียวกันก็ยังเอาหญ้าเป็นต้นเนี่ยมาหย่อนหู ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้เป็นวินยูชนเหล่าอื่นนอก เอาดอกไม้ของหอมอาหารหลายเยเมทุกขังอุปปะหันติความเยจะเทนติสุขังมะมะมนุษย์ที่เป็นวินญูชนพวก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 เราเนี่ยเพราะความเอ็นดูกล่าวคือความมีจิตเมตตาใน บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว่าใน กุจาระปัสวะรสถูกหย่อนหูเล่นแล้วอีกพรรคหนึ่งก็โคน เป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของ พระพุทธเจ้านั้นครั้งแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เป็นกลางในๆในเช่น การบริจาคสมบัติทั้งปวงการบริจาคอัตภาพโดยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทำอย่างที่ตนปรารถนา ท่านไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําทั้งปวงมีความเลวเป็นต้นไม่ทํา อะไรนะคือสิ่งที่ อันน่ะค้นคว้าเลือกเฟ้นแสวงหาแต่วิตกมีวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วอดกลั้น อดทนด้วยความอดกลั้นเรียกว่าอธิวาสนะๆอ่ะนะทนทั้งในราบและความเสื่อม การตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในธรรมอันไม่มีโทษอัน เมตตาบารมีคําว่าเมตตารวม คุณธรรมของพระโพธิสัตว์เช่นการละโภคสมบัติใหญ่แล้วก็ละญาติตระกูล ที่จะรักษาความนับถือของผู้อื่นที่จะรักษาความนับถือของผู้ๆไปเฉยๆอย่างนั้น บ้าอะไรนะดูข้างลอกเหมือนบ้าๆแล้วท่านไม่โง่นะ ปัวแล้วก็ประพฤติขัดเกลากิเลสถึงขั้นอุตริต เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันเป็นเหตุแห่งความไม่ผิด เหตุที่เป็นเหตุให้เจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้วพระองค์ แสดงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้น้ําตามนุษย์เทวดาพรหมขึ้นลงขึ้นลงมาตลอด เราได้ให้ทานอันสมควรให้ ตามรักษาสัจจะถึงเมตตา ก็เห็นชัดว่าข้อปฏิบัติที่ศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะ พระภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายว่าท่าน อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ แล้วปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเถิดอัน อะไรจะเลวร้ายทั้งกับการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นแห่งบาป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 ขอให้พูดแต่ถ้อยคําที่อ่อนหวานพูดแต่ปิยะวาจาวาจาอันเป็นที่รักแห่งใจสมัครสมานสามัคคีปรองดอง 8 ประการ นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนะเห็นความประมาทก็คือ ไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ 8 เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอนะอริยมรรคอันเป็นองค์ 8 นี่แหละเป็นทางแห่งความ เป็นการยกย่องบุพพจริยาของพระองค์ที่พระองค์ ส่วนวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ละเอียดก็คงจะต่อต่อไป